ปัญหาที่7ถามเรื่อง ก, การถือกําเนิดในครันมารดาข้าแต่พระนาคเสนเมื่อสัตว์จะเข้าถือกําเนิดในท้องมารดาเข้าไปทางทวารไหนขอถวายพระพรไม่ปรากฏว่าเข้าไปทางทวารไหนขอนิมนุปมาด้วยขอถวายพระพร หีบแก้วของมหาบอพิษมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรขอจงนึกเข้าไปในหีบแก้วดูสิโยมนึกเข้าไปแล้วขอถวายพระพรจิตของมหาบอพิษที่นึกเข้าไปในหีบแก้วนั้นเข้าไปทางไหนข้าแต่พระนาคเสนจิตของโยม ไม่ปรากฏว่านึกเข้าไปทางไหนข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาพอพิษสัตว์ที่เข้าไปถือกําเนิดในท้องมารดาก็ไม่ปรากฏว่าเข้าไปทางไหนฉะนั้นข้าแต่พระนาคเสนการที่พระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาปฏิพาน์อนวิ จ, จิตยิ่งนี้ได้เป็นอัศจรรย์นักหนาะ ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คงจะประทานอนุมโมทนาสาธุเป็นการแน่แท้